อันธรมยังสังคาพิทุติงการโรมะเซโยโซสุปฏิปันโนภาคาวะโตซาวะกะสังโคสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นหมู่ใดปฏิบัติดีแล้ว อูชุปติปันโนภาควะโตซาวกะสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้ามูไดปฏิบัติตรงแล้วยายปติปันโนภาควะโตซาวกะสังโฆ สงสาววของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมูไดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปาติปันโนภาคาวะโตสาวกะสังโคสงสาววของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมูได ปฏิบัติสมควรแล้วยาที่ทางได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาริปุริสายุคานิอัตถาปุริสปุคลาคู่แห่งบุรุษสีคู่นับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษเอสาภาขาวะโตสาวกัสังโค นั่นแหละสงสาวโวของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหุเนโยเป็นสงควรแก่สการะที่เขานำมาบูชาปาหุเนโยเป็นสงควรแก่สการะที่เขาจัดไว้ตอนรับทักขีเนโยเป็นผู้ควรรับทักศีนาทาน อัญเชลีกราณิโยเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญเชลีอนุตารังปุญญาเขตังโลกาาัสสาเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าตะมานั่งสั่งขังอภิปุชยามี ข้าพระเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะประสงค์หมู่นั้นตมาหนังสังขังศิรส า, านามามีข้าพระเจ้านอบน้อมประสงค์หมู่นั้นด้วยเสียนกล้าว